أعوذ بالله الشيطان تلهيهم من الش الرجيم رجال تجارة ذكر رجال ولا بيع عن ذكر الله ทิรลัยไว้ قام الصلاة و, الص و ت ي ت إ ِ ذ َ ذَكَتِ يَخافونَ يومًا تقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملو ا ليجزيهم الله أحسن ما عملو ا ويزيدهم من قليل ويزيدهم من والله يرزق م ن يشاء بغير حساب. والله يرزق ما يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.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 อาอุจ ا บิ ا د د ل มิน و รั ا รีวสูอิลกิบรีรับบ์อ ا อ في ุบิ ا ะมิงาดับมิฟินนารีว่ ا ดับมิฟิลควบรีอัลลอฮุมะฟินีฟิบดานี سبحان الله و ب حمد ه عدد خلقه و ر ض ิ نفسه وزنة عرشه ومداد ะซีนตา ส alamualaikumwarahmatullahwabarakatuh <c oughs> พี่น้องที่ร่วมน้ำมาศุบะที่รักทั้งหลายครับ alhamdulillah ก่อนอื่นเราต้องชุกรขอบคุณขขอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาให้ระลึกถึงอัลลอฮเนี่ยทุกๆเวลานะครับยกเว้นอยู่ในห้องน้ำนะครับให้ไม่ไม่ต้องระลึกถึงอัลลอฮ ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่เราต้องรำลึกถึงอัลล์ุบฮานะฮูาลาการนึกถึงอัลล์เนี่ยหนึ่งนกด้วยการชมท่านเช่นอัลลอฮฺอัลกุบะร ل อัลฮัมดุลิลละสุบฮานัลลอฮฺลาอิลลัฮิลลัลลอฮฺอัลลอฮอักบรลาอิลิลลัลลอฮฮฮูลาชกละลลมุลกวะลฮัมด و ع ل ا ك ุลิชาอินฺกุดี แล้วก็มีดองอาหลังจากนั่มาซูโบเนี่ยจนกว่าตะวันจะขึ้นเนี่ยนะครับให้อ่านก่อนประมาณ19บทด้วยกันแ ล, ล้วมีดวงอาเขาเรียกว่าเอัศการตอนเย็นอีกเหมือนกับดวงอาตอนเช้าเนี่ยหลังจากนั่มาอัสรีเนี่ยจนกว่าตะวันจะตกนะครับให้ซิกรุลรอได้อีก19บทดวงอาด้วยกันอีกข้อหนึ่งการจำเลือกถึงอ AH ัลลอฮ์คือการอ่านอัลกรุรอาน การระลึกถึงอัลลอฮ์คือการนมารนะครับแล้วก็นึกถึงหลักการที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่าปฏิบัติอย่างนี้นะครับเช่นไปยือนอยู่ห้องน้ำเอตามข้าวห้องน้านี่อลัลลอฮ์สั่งยังไงนะเอาข้าวห้องน้าด้วยเท้าใสา่แล้วก็กอนจะเข้าให้อ่านดุอาอัลลอฮุมะอินนีอัลจุบิกะมินัลคุบุซีวลขบะอิสอย่างนี้ก็เรียกว่า นึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลานะครับขอบคุณอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ تعالى ที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานที่บ้านของอัลลอฮ์ سبحانه ะอาวตาร์ที่มัสยิดของอัลลอฮ์ซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านในอัลกุรอานพบว่าฟีบุยุตินอาซินอัลลอฮ์คำว่าบุยุดเนี่ยแปลว่าบ้านบรรดาบ้านหรือบ้านทั้งหลายเนี่ย นะครับความหนึ่งมัสยิดของอัลลอฮ์รวมไปถึงบ้านของเราด้วยบ้านของเรากับบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยก็ดูแลเท่าๆกันนั่นแหละนะหนึ่งอนุญาตให้ยกย่องบ้านของอัลลอฮ์ยกย่องที่นี่เขาว่ายกเนี่ ย, ย, ยส่วนใหญ่ก็ยกทำมันสูงทําให้ตึกทำมันสูงให้ลมมันโปรง่งใช่ไหมแต่ยกตรงนี้มาถึงยกด้านหัวใจต้องให้เกียรติมัสยิด ให้เกียรติบ้านของอัลลอฮ์โดยทุกครั้งที่จะเข้ามามัสยิดเนี่ยต้องเข้าโดยเท้าขวาแล้วก็อ่านดวอาก่อนก่อนนั่งที่มัสยิดก็ให้นามาดอีสองอารักาต์อย่างนี้เป็นการยกย่องให้เกียรติมัสยิดของอัลลอฮ์ที่บ้านเราก็เหมือนกันก่อนจะเข้าบ้านก็มีดวงอาอ่านแล้วก็มีสลามด้วยเป็นการให้เกียรติบ้านที่บ้านก็มีอ่านกุณอานและมีเสียงนาซิฮะ เตือนกันอบรมกันเตือนกันคนในบ้านของเราเรื่องที่สองวายุสการอฟีฮัสโมหูในบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยควรจะล้ำลึกถึงอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องของอัลลอฮ์เยอะๆที่มัสยิดเนี่ยนะเรากำลังทําอยู่ที่บ้านเราก็เหมือนกันพี่น้องที่ได้รับความรู้จากมัสยิดไปเมืกลับไปถึงบ้านก็ไปเล่าให้ลูกฟังเล่าให้ภรรยาฟังนะครับ นี่ไงเป็นการคุยเรื่องของอัลลอ์ที่มัสยิดแล้วก็คุยที่บ้านของเราอันที่สามดูทรบเหุลูฟในมัสยิดของอัลลอ์เนี่ยต้องแช่ซองสดูดีพูดชมอัลลอ์นะครับเขาแยกออกเป็นสามรายการเลยนะหนึ่งยุทธทุตฟ้ายกย่องให้เกียรติอันที่สองยุทธการุให้ลำลึกถึงอัลลอ์ อยู่ซบิฮุลอาูให้สรอแสงสะดุดีต่ออัลลอ์ีสามรายการนะครับแล้วก็ช่วงไหนครับบิลฮุดูวิวัลอาซอลช่วงเช้ากับช่วงเย็นมาใช่กระสองเวลานะช่วงเช้ากับช่วงเย็นเช้าก็มีนมาสูบแลช่วงเย็นก็ตั้งแต่นมาศบายพ่อบายเขานับตั้งแต่ตะวันอะไรนะคลอ้ อ, ลอยพอตะวันคล้อยนี่ก็เรียกว่าเย็นแล้วนะ บายอัสลมักริบอิเชาสี่วักตูนะครับเรียกว่าตอนเย็นเนี่ยอัลลอฮ์สอนให้ดูแลบ้านของอัลลอฮ์ดูยังไงดูแลบ้านตัวเองดูยังไงนี่อัลลอฮ์สอนนะพอดีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะอธิบายอะไรไม่ทั่วถึงวันนีจ้จะขอเพิ่มเติมบีดนิดนึงว่าดูแลบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยให้ดูแลสิบห้ารายการ นะครับดูแลบ้างของอัลลอฮ์เนี่ยสีรายการท่านนบีสอนอย่างนี้ก่อนจะอธิบาย15รายการท่านอานัสรดิอัลลอฮ์ออันดูไดรายงานบอกว่าท่านอัสลูลลอสอัสลามกล่าวว่ามัณัะฮับัลลอฮ์ใครที่รักอัลลอฮ์ฟัลยุฮิบุนีเขาจงรักฉันมาจึงรักนบีมุฮัมมัดนินบีพูดเองนะเป็นทั้งหมดนี่เป็นวาฮีทั้งหมดไม่ใชคิดเอง ใครที่รักอัลลอฮ์ก็จงรักฉันมาจึงรักนบีใครที่รักฉันว่ามันอาฮบานีฟัลยูฮิบุอัลชาบีก็ต้องรักสัฮาบะบรรดาสัฮาบะของท่านนบีของฉันด้วยด่าสัฮาบะนบีไม่ได้นะครับต้องรักสัฮาบะนบีทั้งหมดที่มีอยู่นบีสอนต่อไปอีกว่ า, วามันอบบาฮบะอัลชาบีใครที่รักบรรดาสัฮาบะของฉัน ฟัลย์อยู่ให้บุลกรานต้องรักกุรอานด้วยต้องให้เกียรกักุรอานต้องถืออัลกุรอานต้องอ่านอัลกุรอานต้องท่องจําอัลกุรอานใช่ไหมว่ามันอาฮับบาลกุรอานใครที่รักอัลกุรอานฟัลย์อยู่ให้อัลมัสยิดต้องรักมัสยิดของอัลลอฮ์ด้วยเข็นะขั้นตอนผูกพันกันหมดเลยรักอัลลอฮ์รักวาซูลรักซอฮบ้านนาบี รักกุรอานรักมัสยิดห้ารายการัวในหะดิษบมดเดียวกันหมดเลยนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นไงรู้ไหมคนที่รักมัสยิดของอัลลอฮ์เนี่ยจะต้องดูแลมัสยิดของอัลลอฮ์ทุกครั้งที่ท่านเข้าไปในบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยเข้าเท่ากับ เ, เข้าไปในบ้านของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะต้อนรับเป็นเจ้าภาพต้อนรับดูแลเพราะทุกคนที่เข้ามานั้นเป็นแขกของบ้านของอัลลอฮ์ทุกคน จะไดมารยาทในการเข้ามัสยิดก็ดังต่อไปนี้นะครับท่านในหนังสือตัคคบซีกูสตูบีนะครับในอธิบายบอกว่าการเข้ามัสยิดมีมีอยู่15อย่างนะอยู่ในมัสยิดมีอยู่15อย่างมารยาทเขาเรียกวอาดาบุลมัสยิดมีอยู่สิบห้รายการในการที่หนึ่งเมื่อเข้ามัสยิดเมื่อเห็นคนนั่งอยู่ในมัสยิดนะเห็นเขานั่งอยู่เนี่ยต้องให้สาลามอาซาลาห ม, ม, มาได้กุม ถ้าคนที่มีอยู่กาลังนมาอยู่ต้องให้ไหมไม่ต้องให้นี่รายละเอียดดีมากเลยนะเราทำดูเลยละแต่ถ้าเราเข้าเป็นคนแรกเนี่ยให้ให้สลามว่าไงอัสสลามุอะลัยนาวะลาอิบะดิลลาฮิซอลัฮนนี่ความสมบูรณ์ของอิสลามข้าบ้านเราก็เหมือนกันถ้ามีคนอยู่อัสสลามุอะลัยกุมถ้าคนไม่อยู่อัสสลามุอะลัยนาวะลาอิบะดิลลาฮิซอลัฮน ทำในเรื่อขอคุณอัลลอฮสอนไว้หมดข้อที่สองนะครับก่อนนั่งในมัสยิดให้นามาตสองรากกรัดอัลลอฮุอักบาดยกเว้นต้องสมรวจด้วยนะมีอยู่สามเวลาไม่ควรที่จะนามายก็คือกำลังตะวันกำลังจะขึ้นเนี่ยมันยังมันยังไม่โผล่เนี่ยระวังอยู่ตรง ก, กลางเลยนะประมาณ ก, กี่นาทีห้านาทีไ ม, ม้แต่นั้นแหละแล้วก็ตรงตะวันตรงศีรษะ แล้วก็ตะวังตะลลงตกดินเนี่ยระวังตกครึ่งครึ่ง น, นะอย่าเพิ่งจะมารอบไปก่อนนะครับอันที่สามไม่อนุญาตให้ทำการค้าขายในมัสยิดเช่นอาจจะมีบางคนเลยนะโดยเฉพามุสลิมเนี่ยเข้ามาในมัสยิดก็พาแหวนมาด้วยคุยกันนี่ฉันมีแหวนอยู่ราคาแหวนเพชรนะสามหมื่นเอาเปล่า อ, อย่างงี้อย่างงี้นะ ห้ามคุยกันในมัสยิดเรื่องค้าเรื่องขายเรื่องการค้าการขายอัลลอฮฺจะไม่ให้การค้าคนคูณมีบราระกัดต่อไปข้อที่4ีนะครับอย่านำเอาอาวุธเข้ามาสัสยิดเช่นมีดปืนอาวุธต่างๆเข้ามาคำว่าอาวุธทำลายทำลายตัวเองรวงไมไปถึงบุรีด้วยไหมทำลายอะไร <laughs> ทำลายสุขภาพไอ้หลายคนอบุรีไม่น่าจะเกี่ยวนะอลุลามะบอกว่าเกี่ยว นั้นอย่าพาบุหรี่เข้ามัสยิดนะอย่าพาปืนเข้ามัสยิดอย่าพาอาวุธมีดเข้ามัสยิดเข้ามาต้องปิดให้มิดชิดเลยนะอย่ามาถือโชวผมเคยไปนะมาศแทงหนึ่งก็เอาปืนแขวนกันมาแถวเลยประมาณหน้าหกกรบอกโอ้โหอร่อยจริงๆก็ไม่เป็นไรนะอันที่ห้าอย่าประกาศหาของหายในมัสยิดอย่าประกาศหาของหายในมัสยิด อย่าประกาศนะนาฬิกาฉันหาย ใ, ใครพบบ้างอาลอพระอักวัสอย่าประกาศนะจะลดใจไม่ให้พบเลยนะครับข้อที่หอย่าพูดเสียงดังตกนกันในมัสยิดยกเว้นเนี่ยอนุญาตให้สอนเนี่ยได้ถ้าคุยกันธรรมดาเนี่ยมาอนุญาตให้ใช้เสียงดังในมัสยิดข้อที่เจดอย่าสนทนากันในเรื่องเกี่ยวกับดุนยาล้วน วันนี้มีเลือกตั้งคุยเรื่องตั้งเอาพักไหนจะเอาหวดหรือมโนโหวัวลาบหรือไม่รับมันต้องคุยกันในมัสยิดคุยชาดน่นชาติมัสยิดนั่ น, ช น, น, นใช่ไหมเรื่องการเมืองเรื่องล้วนเนี่ยอย่าคุยนะครับข้อที่แปดอย่าแยงที่นั่งกันในมัสยิดทำอย่าลีลาความคิดเรามันึกไม่ถึงอ่ะใช่ไหมอย่าคิดนึกไปถึงอ๋ออย่าแยงกันในมาแยกแย่งที่นั่งมีไหมมีครับ ต่อมาข้อที่9้าอย่าเดินข้ามหัวคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดไอข้ามหัวนี่เมืองไทยไม่เคยมีแต่ในอินเดียนี่เยอะมากในซาอุดีนี่ก็เยอะเลยบางทีที่มีอยู่หน่วยข้างหน้าอันนี้ก็ข้ามไยพรวดพรวดจับหัวแวกด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นคนที่เดินทางเยอะๆจะเห็นเหตุการณ์อย่างนี้นะครับต่อมาเข้าข้อที่0ิอย่าเดินตัดหน้าคนกาลังนมาหในมัสยิด นะครพยายามอย่าเดินตัดหน้านะข้อที่ส1 อ, อย่าถมน้าลายในมันสยิดสเลดบ้างอะไรบ้างทุยๆแวันี้ใช่ไหมนึกว่าอยู่ที่ตลาดไม่ใช่นะอยู่ที่ตลาดก็บางทีเขาก็ไม่อนุญาตให้ถมทําลายด้วยนะข้อที่สิบสออย่านั่งทํามือประสานกันแบบนี้เนี่ยดบี้ห้าเป็นท่าของสายตรอนผม แ, มแถมแผลนิดนะห้างหากักหักมือกรับก็ับคลิป จะมาทําเนี่ยเนี่ยอย่าทําเป็นลักษณะของไชตอนจะนั้นแตหามไม่มีการถูกฝึกอบรมมาก่อนหลายคนจะปฏิบัติแบบนี้นึกวันนั่งอยู่ที่บ้านนึกวันนั่งอยู่ในห้องน้ํานึกวันนั่งอยู่ตลาดเอี่ยมสมบัติทำแบบเนี้ยหักมือก็แกป๊ปก็แก๊บอย่าทําข้อที่สิบสามอย่าจับอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาเช่นนั่งบีตรงนี้แหละขยํามึมนหัวอย่างงี้ใช่ไหม เราก็เห็นก็ทากันอยู่นะแต่ว่า <c oughs> อาจจะไม่รู้ก็ได้ <c oughs> แต่บรากาศนี่นบีสั่งนะครับบรรดาอุลมามะเขารวบรวบมเอาไว้นะข้อที่สิบสี่ขจัดสิ่งโสโปรกออกจากมัสยิดให้หมดไป <c oughs> ใครเห็นอะไรก็หยิบออกซะไม่ต้องรอโต๊ะอะไรโตเสียอไม่ต้องรอเราเห็นเราก็หยิบเวลาหยิบต้องหยิบมือไหนมือซ้ายอย่าหยิบด้วยมือขวา <c oughs> นี่ผมก็หยิบมาอันหนึ่งตะกี้นี่นี่ตรงเนี้ย ก็หยิบมาหยิบด้วยมือซ้ายแล้วนกะ็มาเก็บไว้ตรงนี้นะครับต่อมาข้อที่สิหให้ดิกรุลล้อให้มากๆหรือนั่งอ่านอัลกุรอานในมัสยิดนะครับนี่จากนะาาจากาัสซีกุตตนะูบีนะครับอธิบายจากฮะดิษจากกุรอานอายะอายะที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับพี่น้องต่อมาข่าวันนี้อายะที่37ม <c oughs> ริยาลุลลาตุล i ิมทิจาร a ุและไบ่ a อนการ์ดิกริลลาห์ وإقام الصلاة و إ t ت ا الزكاة ยาข้าวูนัย ا, أ ت อุมันทัตตะกลับบุฟิฮิลคุ ح ูบุอัลอาบุซาร ر อ ا ل ฮะม ل ุลลอฮ ه อัลลอฮฺอัลกุบริ ذكر อัล و إ ق و ا, ا, ت ت ق أ <ار> م ِ الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الحمد لله الحمد لله الحمد لله رجال นี่แปลว่าคนผู้ชาย เป็นผู้โพสด้วยหลายๆคนชาราชาศับหน้าก็ปวงบุรุษบุรุษผู้ชายทั้งหลายปวงบุรุษนะครับทั้งหลายลาตุลฮีหิมลาแปลว่าย่านะครับตุลฮีหัหนห่างอัลฮายุลฮีแปลว่าทําให้พวกเขาหันหันห่างติยาละการอะไรการค้าขาย หไมกน่าอานพูดตังการค้าด้วยใช่ไมติารวลาลาแปลว่ามีให้บียแปลว่าการติจารรการค้าบายอาุนการขายติจารรการค้าบยเอาุนการขายอันซิกริลลาอันแปว่าจากซิกริลลาลำลึกถึงอัลลอ์ต้องการจะอธิบายอย่างนี้อัลลอฮ์สั่งนบีมุฮัมมัดให้นบีมาสอนบอกว่า ปวงบุรุษหรือว่าบรรดาชายทั้งหลายที่ตีจารอก่อนการค้าและการขายลามิได้ทมตุลหีฮิมทำให้หันห่างเขาทั้งหลายจากกา ร, รํำลึกถึงอัลลอฮอัลลอฮเตือนนะครับเตือนนักธุรกิจ ทำไมต้องเตียงนั่งธุรกิจพอนั่งธุรกิจนี่หาเงินได้เยอะมีร้านอยู่ที่ซีคอนอลอร์เงินเยอะอะไรก็ตามแต่คนที่ทํามาค้าขายนี่ยเอาล่อเตือนนั่งธุรกิจนักค้านะัขายจะขายนะของที่ไหนก็ตามมีแต่เงินเงินเงินเงินเงินเงาที่มาค้านักขาดีนะเอาอะไรมาขายขายได้หมดเลยลูกเตสซูบีก็ขายได้มวกขายได้หมดเลยเพราะคนออกจากมัสยิดเจอร้านเต็มไปหมดเลยนะบราก็เหมือนกัน อัลลอฮ์สั่งนะครับบวงบุรุษเอ๋ยที่การค้าของเขาการขายของเขามิได้ทําให้หันห่างเขาทั้งหลายจากการดำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับว่าไงทํามาค้าขายเนี่ยอย่าลืมอัลลอฮ์อย่างที่หนึ่งทำมาค้าขายอย่าลืมนมาศทามาค้าขายอย่าลืมจ่ายจกาจทํามาค้าขายอย่ากงจะช่างเพราะอัลลอฮ์ห้ามหมดเลยน่ยกงจะช่างต่อห้าม ทำมาถ้าขายเนี่ยอย่าอไรนะอย่างหยงน้ำตาลทรายพริกแห้งเนี่ยเอาน้ำาพมลงไปใช่ไหมล่ะพอพรมไปบนลระช่างเนี่ยน้ำหนักมันขึ้นเหมือนกันแพะก็เหมือนกันแต่ผ ม, มคุยกับคนที่ขายแพะนะเขาบอกว่าจ้า์จะให้น้ำหนักเพิ่ม ง, ง่ายนิดเดียวแพะเอาแกะเนี่ยอย่างแกะขนเยอะเยอะใช่ไหม พอจะเข้าจะช่างก็เอนาน้ำฉีดเนะพราะฉีดนะมันน้ำมันเนี่ยผมโอไรนะขนมันอมน้ำเนี่ยตัวละกิโลสองกิโลสบายเลยถ้าร้อยตัวถาา้าใดโอ้โหขึ้นมาอย่างน้อยสองร้อยกิโลนี่นะหลอกชาวบ้านอนะ่ะอย่าทำอย่างนี้เป็นต้นอิสลามสอนละเอียดหมดอเพราะฉะนั้นนะละริจลัลุลละตุลฮิมติจารตุนวลาบาัุนแห่ง ذكر ิ lla บรรดาชายทั้งหลายอย่าให้การค้าของเขาเหล่านั้นอย่าให้การขายของเขาเหล่านั้นหันห่างพวกเขาเหล่านั้นจากการรำลึกถึงอัลล์ทำไมต้องเตือนตรงนี้เพราะสหฮับะฮันนบีทาธุรกิจท่านอับูบัก์ก็ทําธุรกิจค้าขายนะท่านซนาอุมัดก่อค้าขายท่านอาลีก็ค้าขายท่านอุสมาน อัมดุรานมานบีเอาเป็นมหาเศรษฐีเพราะค้าขายครับท่า น, นอิสลามเนี่ยคู่กับการค้าขายทัานคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะนึกมองดูบรรดาพวกเราเนี่ยเราเป็นคนชาวอะไรนะชาวนาเดินตามหลังควายมาตั้งนานแล้วนึกว่านั้นแหะคือชีวิตที่ถูกตั้งเพราะอันกุรอานแล้วบรรดาซอ บ, บานน บ, บีเขาค้าขายกันแลน้วนบีก็พูดถึงการค้าขายว่าการค้าขาย ม, มีริสุกี อย่างสิบส่วนเนี่ยเก้าส่วนเนี่ยอยู่ในการค้าเลยนะกำไรัมดูเลยเลยอ่าแนี้นบีพูดทางการอัลลอ์พูดเกี่ยวกการค้าขายคําอธิบายก็คือว่าลักษณะลักษณะของผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์เนี่ยนะหนึ่งต้องจำลึกถึงอัลลอ์สองเขาชอบทำการค้า พาษาขมุบินนะผู้ศรัทธาตอรอผู้ซอบ้านนบีเนี่ยนะก็อชอบทําการค้าหนึ่งจะนั้นใครที่ทําการค้าจะทำตัวเหมือนใครเหมือนซอบะานท่านนาบีขอยกตัวอย่างซอ บ, บ้านนบีมีอยู่คนหนึ่งเอาคนเดียวพอนะท่านอัมดุรุมานบินเอัลรอดิยัลรอฮานูเป็นคนจนๆคนหนึ่งจากนาครมักกะเดินทางกับท่านนาบีอุปโยกกันมาอยู่ที่นครมดีนะที่นครมดีน่นานก็มีนักธุรกิจเยอะ นบีก็เรียกว่าจับให้เป็นพี่น้องกันก็เรียกว่าอาคครั้งแรกในโลกนะยังไม่มีใครทํานะเอาคนจนกับคนรวยมาอยู่ด้วยกันท่านอดุดรมาเป็นคนจนนบีจับท่านสะมาอยู่กันสองคนเอา้าดูแลกันนะจนกว่าเขาจะมีทฤสกีเพิ่มมีทฤสกีแล้วก็ทิ้งเขาปล่อยเขาท่านสะเนี่ย เมื่อท่านนาบีส่งท่านอัลโดรม์มานบินเอ้าไปอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยท่านเสนอสามรายการให้ท่านอัลโดรม์มานบินเอา้าท่านเสนอเพราว่าฉันมีบ้านอยู่สองหลังคุณเอาไปหลังหนึ่งฉันมีสวนอยู่สองแห่งคุณเอาไปแห่งหนึ่งประธามาค้าขายนาะไปเก็บอินพารามขายเอาฉันมีภรรยาสองคน คุณมาเลือกดูวันนั้นวันนีน้ยังไม่มีหิ j าบยังไม่มีปารดายังไม่มีอะไรนะผ้ า, าคลุมหน้ากันให้เลือกดูชอบคุณไหนฉันก็จะยาประยาฉันเนี่ยแต่งงานกับคุณมีไหมสมัยนี้มีไหมไม่มีนี่เขาทำกันมาแล้วในสมัยนะบี1400ปีนะ่ะเขาทำตัวอย่างแบบนี้ให้เราเห็นท่านอดุรมา น, นาเป็นเอาต่อว่าไงนะบาริกอัลลอฮุลก ฉันไม่เอาอะไรเลยของอัลลอฮฺแดะทานบะรากาดให้กับคุณบะรากาดให้กับทรัพย์สมบัติของคุณให้กับครอบครัวคุณฉันไม่เอาอไดเลยบ้านก็ไม่เอาสวนก็ไม่เอาภรรยาก็ไม่เอาไม่เอาเลยทุกอย่างเด่นดุลลนีอาราสุการุณาพาฉันไปที่ตลาดพอแล้วทามโดนามาน ก, ก็ถูกพาไปที่ตลาดพอเห็นตลาดปั๊บนึกภาพออกเลยฉันจะค้าขายอะไร รูปไม่ค้าขายชนิดนี้ก็คือเอาเนยแข็ง <c oughs> เอาเนยแข็งเนี่ยวันนั้นการขายแบบนี้ยังไม่เกิดขึ้นในโลกนะถ้าอัลโดร์มานบินเอาทําเป็นคนแรกก็คือซื้อเนอยแข็งเนี่ยเอาไปเดินขายตามตามบ้านเรียกว่า selling door to door, ใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวนี้เต็มเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขายกันเต็มหมดเลยเดินตามขายท่านอัลโดร์มานบินเอาท่านเป็นคนแรก วันที่สองก็สินค้าตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่แม่บ้านสบายมาถอออกไปซื้อตลาดใช่ไหมอันดุลรมานส่งตามบ้านหมดเลยอ๋อเนี่ยเห็นยังครับนี่วิธีการค้าขายของท่านอันดุลร مان เองเอาฉะนั้นใครที่เป็นนักธุรการวันนี้นะสู้ท่านอันดุลรมานไม่ได้เน่งอลอรอบห้ามประกาศและอย่างดุรมาเนี่ยชอบทําธุรกิจแต่ไม่ขาดน้ำมาที่มัสยิดไม่ขาดน้ำมาที่มัสยิดได้ยินเสียงอาจารย์ปั๊บ ไปมัสยิดเลยแล้วก็สวบาสนาบีหลายคนนะเพ ท, ที่เป็นตั้งธุรกิจไม่มีใครไม่นามาที่มัสยิดนามาทีมัสยิดหมดเลยแค่นั้นอลัลลอฮ์เลยเตือนไองเตือนไว้ก่อนริยาลุ ล, ลฮิมบวงบุรุษบรรดาชายทั้งหลายอย่าให้การค้าของเขาการขายของเขาเป็นเหตุทำให้เขา หันห่างจากการดำลึกถึงอัลลอสุบฮานาหูวาตาลาฉะนั้นเราก็ต้องเตือนตัวของเราแล้วก็เอาความสอนี่ไปบอกต่ออีกนะนักค้านัก ข, า, กขายนะอย่าลืมนะมาดนะอย่าโกงตาช่างนะมันมีความหมายเยอะเลยตรงนี้มีสามสีความหมายด้วยกันนะต่อมาครับ ว, ว่าอีก็มีสอจงดำรงอ่าดำรงไว้ซึ่งการมาด อย่าทําให้การค้านั้นเป็นเหตุทําให้ท่านหันห่างจากการจำลึกถึงอัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองว่าอีก็มิตล้อย่าให้การค้าการค้าการขายเป็นเหตุทําให้ท่านไม่ได้นามาตรงเวลาก็พิดอี ก, กนะอัลลอฮ์เ AH ตือนนะเรื่องนามาณนะเรื่องนึกถึงอัลลอฮ์นะข้อที่สมว่อีตาอิสตะกะ ค้าขายแล้วมีกําไรอย่าลืมจ่ายอะไรจ่าย zakat าาอัลลอฮ์นี่เตือนเพราะพวกเราลืมลืมเก่งใช่ไหมเก่งลืมเก่งไปจ่าย zakat าาลืมมีคนโทรศัพท์มาหาผมสิบปีจาไม่ได้จ่ายพอมาฟังศาสนาเขาเอัลลอฮ์จานทำยังไงดีย้ยอนหลังได้ไหมได้โหจ่ายย้อนหลังกันไปเนองโหเป็นหลายล้านนี่ยเอาไว้ ไม่มีปัญหาฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ทำดุลิแลก็ทําทเพื่ออัลลอฮ์และะ้วปานี้รืสกีเพิ่มคุณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น น, นะครับยาขอ้อพูดอ่าอยาขอ้อพูดแปล ว, ว่าพวกเขากลัวพวกเขากลัวที่ทานี่นะหนึ่งไม่ไม่ทำให้การค้าเนี่ยการขายเนี่ยทําให้เขาลืมอัลลอฮ์ ไม่ทาให้การค่าทำให้เขาขาดนามาดไม่ทาให้การค่าทำให้เขาไม่จ่ายอากาศที่เขาทำความดีอย่า ง, งนะี้เพราะอะไรยาคอฟูลเพราะพวกเขากลัวกลัวอะไรครับเย้ามันวันหนึ่งคุณอันอธิบายเขาว่าวันหนึ่งหมายถึงวันอะไรรู้ไหมวันเตียมะนี่ง่ายพี่น้องคนที่ศรัท ธ, ธาต่ออัลลอฮ์และศรัท ธ, ธาต่อวันอาคริรหินบียออยู่บ่อยๆดีนะ คนที่ทําความดีแล้วก็นึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็กลัววันเตียมะเนี่ยเพราะวันเตียมะเนี่ยมันเป็นตัวกระชับเราส่งเสริมเราทําให้เรานั่นไม่กล้าที่จะทําความผิดค้าขายเดิเงินดีใช่ไหยพอนึกถึงวันเตียมะยไม่กล้าขาดนำมาค้าขายโกงตาช่างได้ไหมตาช่างอยู่ที่มือเราเนี่ยไม่กล้าโกงเพราะเรา กลัวนะ่ยอย่าคอฟูนเขากลัวกลัวการลงโทษกลัวการเล่นงานจากอัลลอสุบฮานาหูบนะลายาวมันวันหนึ่งอันทีนี้หมายถึงวันอะไรนะวันเกียมาวันนักิกยมะเนี่ยหลายคนเป็นอย่างนี้ครับตาตะกลาบูเลือกลานตาเลือกไปน้องอะไรเลือกนะอับสอกูรู้ ก, ก่อนหัวใจนี่ โอ้โหกวนก歪อ บ, บสอดไปไปเลยนะสายตาทั้งตาทั้งใจสองสองรายการวันนั้นจะเหลือกลานไปหมดเลยกลัวเอาล่ะพูดสองอย่างนะพอไปถึงวันเกียร์มาเนี่ยหัวใจกลัวตาเหลือกหัวใจกลัวตาเหลือกทําไมเพราะในวันเกียร์มาพี่น้องครับอุลมะอธิบายบอกว่างี้ คนตาที่ไม่เคยเห็นอย่างนี้อีเรื่องเราเห็นอลัลลอฮฺอย่างงี้อธิบายเรื่องว่าอย่าทํานู่นทํานี่มันไม่เห็นภาพอ่ะพอไปมันอไหรมาเห็นภาพจริงๆโอ้โหตาจิงเลยท่านจะอยู่ยังไงเนี่ยตาเห็นแล้วใช่ไหใจก่อนใจพับใจกลัวแล้วก็ตาเห็นเหตุการณ์พู น, น, <S <S พนบีพูดยงไงนะ <S <S สายตาจากอิมามอานบตตูตอตากีเนี่ยอันตานามาตากีนะ หัวใจไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเจอแบบนี้สายตาไม่เคยเห็นมาก่อนที่จะเกิดแบบนี้มองซ้ายมองขวามองข้างล่างมองข้างบ น, งงบนกลัวไปหมดเนี่ยอลัลลอจะเล่นงานฉันเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่หัวใจนี่ประวันตลอดเวลาตาเหลือกมองซ้ายมองขวาภาพของในวันเตียมากเป็นแบบนี้เนี่ยอลัลลอสอนให้เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทาอะไรผิดหลักศาสนาทาอะไรให้มันถูกต้อง ่อไปในวันนั้นถ้าทาหลักผิดหลักศาสนานะหัวใจจะกลัวก่อนกลัว ก, า, การลงโทษแล้วก็ตาก็จะเหลือกเหลือกรานนี่เป็นภาพที่อัลลอฮ์เล่าเป็นความจริงทั้งหมดกับอานาอูซบิลลามินาลิกขอรับขอร้อนนายาเราเป็นคนแบบนี้นะทีนี้ริจาลุนเนี่ยคำคำคำอธิบายในฮะ ด, ดีสอธิบายบอกว่าซอบ้านในบีอธิบายนะครับว่า สาวบานอบีนะ่ะส่วนใหญ่เขาเป็นผู้ชายนะครับที่ทำมาค้าขายที่ตลาดแล้วก็ผู้ชายมานามาที่มัสยิดผู้หญิง อ, อธิบายนะผู้หญิงนี่นะที่บ้านของนางเนี่ยดีที่สุดแต่ถ้าหากมุสลิมะต้องการจะมานามาจะทำไงนะให้ขออนุญาตสามีขออนุญาตพ่อก่อน เี๋นี้อบียก็สั่งนะถ้าขออนุญาตแล้วอย่าห้ามนางนะให้เขาไปให้ก็ไปให้ก็ไปแต่ว่าบอกให้นางรู้ด้วยว่าการนนะ้ามาที่มัสยิดนะเป็นไงนะดีที่สุดห้ามุลยการน้ำมาที่บ้านดีที่สุดสําหรับมุสลิมสําหรับผู้ชายนะ้ำมาที่ไหนมัสยิดดีที่สุดนะครับตับเซนอะธิบายต่อไปอีกนะครับบอกว่าท่านอับดุลลอห์บินบินอุมัดเนี่ยเขชอบเดินไปตลาดชอบเดินนะ ก็เป็นนักค้าเวลาก็เดินไปตลาดพอได้ยินเสียงอาญาเนี่ยที่ตลาดนี่นะเขาเห็นซาบ้านอาบีที่ทํามาค้าขายอที่ตลาดเนี่ยกําลังช่างอยู่เมืกันกำลังช่า ง, งของอยู่นะวางตาช่างเลยแล้วลุกขึ้นบอกกับปานามา ก, ก่อนปิดปิดอะไรนะปิดปิดปิดแผงก่อนนะแล้วก็เดินไปนามา ก, กันเป็นแถวใครนะอับดุลละมาน อัมดุลล่าบินอุมัดได้รายงานวันในหะดีสไว้ฉะนั้นบรรดาซอบาของท่านนาบีพี่น้องก็ทํามาค้าขายที่ตลาดก็จริงแต่เมื่อได้ยินเสียงอาจารเข้าหูปั๊บนี่เขาจะปิดร้านทันทีแล้วก็เดินมานมาที่มัสยิดนี่ซอบาของท่านนาบีถึงอัลลอฮ์ได้ให้บรารการความจํำเลญกับซอบามาเพราะอะไรครับเพราะเขาได้ยินเสียงอาจารแล้วเขาไม่ไม่อะไรนะไมร่รอที่จะนั่งอยู่ไหน ร้านของตัวเองรีบมานนามาที่มัสยิดของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาอลนะครับอที น, นี้ท่านฮัสซัน <c oughs> ท่านฮัสซันได้อธิบายบอกว่าซอบ้านอบีเนี่ยเขาทำการค้าและเขาก็นนามามันมันสิทธิทั้งสองเลยนะการหารีสกีเลี้ยงดูตัวเองก็เป็นเป็นสิทธิ เป็นหน้าที่ของผู้ชายจะต้องหาวิสกี้เอา ล, ล่อไปเลี้ยงใครเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็เลี้ยงใครอีกเลี้ยงภรรยาเลี้ยงเลี้ยงลูกน้ามาก็เหมือนกันมาสิทธิทั้งสองก็เรียกว่าฮัก A A กุลล้อกับฮักกุลอะไรฮักุลอาดัมฮักกุลอาดัมกับฮักกุลล้ออัลลอฮฺให้ความสําคัญเกือบเท่าๆกันนั่นแหละฉะนั้นเมื่อฮักกุลล้อมาเนี่ยจะต้องทิ้งฮักกุลอาดัมก่อน ใช่เช่นไปนมาก็ต้องรีบไปนมาดก่อนแล้วก็มาฮักกุลอาดามก็มามาค่ามาขายกาันทีหลังแต่สำหรับการทำฮัยญไม่ใช่อย่างนั้นฮัญเนี่ยฮักกุลลอกเหมือนกันฮัจญใช่ไหมแต่ฮักกุลอาดัมเหนือกว่าถ้าเรามีเงินอยู่สองแสนยกตัวอย่างอยากจะไปทำฮักไปได้ไหมได้ฮักกุลฮักกุลลอแต่ถ้าไปแล้วลูก ไม่มีตังคภรรยาไม่มีเอา้าพ่อไปคนเดียวไปทำพาสลาที่บ้านไปนไงไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเงินไม่มีทองฉันจะฮักกุลลอก่อนจะทําความดีไปไปนะนะไปมักกะและเมียอย่างเงี้ยให้ฮักกุลอาดามก่อนเงินที่จะไปมักกะเนี่ยอย่าเพิ่งไปให้ทําอะไรนะให้เอาไปให้ลูกให้ภรรยาก่อนแล้วก็ฮักคดีเอาว่ากันข้างต่อไป ไปน้าไปนู่นก็หา ง, งินงสะสมกันต่อไปอย่างเงี้ยต้องแยกแยะตรงนี้ด้วยแต่นมา ก, กับกับการค้าขายเนี่ยเมื่อนมาดมาถึงต้องทิ้งการค้าขายทันทีแล้วก็รีบไปนมาดก่อนนะเอาต่อมาครับพี่น้องสังเกตนะริสกีใครเป็นเจ้าของอัลลอฮ์ทรัพย์สมบัติเป็นของใครเมื่อทิตก่อนด้วยนะมาลุลลอ ทรัพย์สินเป็นของอัลลอ์ทั้งหมดต้องนึกตรงนี้ด้วยเราในฐานะเป็นอะไรเป็นผู้จัดการเท่านั้นเองต้องคิดตรงนี้นะแคนั้นมีเงินมีทองผ่านเราเนี่ยไม่ใช่เป็นสิทธิของเราทั้งหมดนะส่วนหนึ่งเป็นของอย่างน้อยเป็นคนน่แหละเจ็ดแปดแปดจำพวกนะ่ะคนนะคนยากคนจนเด็กกำพ้าแม่ไ ม, ไม่เป็นโรงเรียนมัสยิด ต, ต้องดูแลคนปดปดจพวกด้วย ฉะนั้นเงินเป็นของอัลลอ์ริสกีก็เป็นของอัลลอ์เราเป็นในฐานะเป็นผู้จัดการเป็นไดเรตติ้งมานเจอเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเจ้าของจริงๆนะไม่ใช่ให้ผ่านมือชั่วคราวตอนนั้นเองอาจจะนี้มาพูดเรื่องริสกีนะครับริสกีของอัลลอ์เนี่ยอัลลอ์รับผิดชอบคนทุกคนบนโลกใบนี้คุณอ่านตรงไหนครับว่ามามินดาบตินฟิล อ, ดอลาดดีลลาะลลอฮิริสกุฮา บนหน้าแผ่นดินใบนี้สัตว์ทุกชนิดรวมทั้งคนด้วยอัลลอฮ์เป็นผู้รับผิดชอบบริสกีแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเ อ, อยังนั้นถ้าถ้าท่าท่าไม่ทําได้ไหมไม่ได้ต้องแสวงหาอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีให้เรื่องที่สองแสวงหาบริสกีของอัลลอฮ์เป็นฟารดูนะหลังจากอะไรนะหลังจากนมาฟารดูนมากรฟารดูริสกีตามมาที่หลังที่ต้องสังเกตนะ คนที่ตายเพราะอะไรเพราะอายันหมดหรือเพราะวิสกีหมดพูดใหม่หนคนที่ตายเนี่ยเพราะริสกีหมดถึงอายันมาใช่ไหมใช่เพราะวิสกีหมดก็ถึงอาจันริสกีก่อนแล้วก็อาจันมาทีหลังฉะนั้นริสกีของเรานถนายังทายอร่อยยังยังให้อยู่นะไม่ตายไอที่ตายเพราะ ริสกีหมดอลังโดยเห็นยังครับคนที่ตายเนี่ยจะเป็นตายแบบไหนก็ตาเพราะริสกีคนนี้หมดอัลลอฮฺไม่ตองก็นี้ถ้าเราอี إ ม م ا เพิ่มขึ้นอัลลอฮิสกีของของฉันมีมาตลอดเวลาเลยนะอ่ะทีนี้เวลาหาริสกีเนี่ยให้นึกแบบไหนได้หไหมให้ตาวักกั้นต่อรอบแบบอะไรแบบนกนบีสั่งนะครับ ให้แสวงหาทิสกีของ Allah, อัลลอ์ต้นออกไปทำงานตนเช้าๆเนี่ยให้นึกแบบไรนะให้นึกแบบนกนกเนี่ยมีออฟฟิศไหม <c oughs> นกไม่มีออฟฟิศบินออกไปเนี่ยโอ้โหถ้ามาเจอต้นไม้บางต้นตรงตรงนี้หน้าสุราเนี่ยมันมีต้นอะไรนะเมื่อก่อนเนี่ยต้นไซใช่ไหมล่ะโอ้โหทีสกีเต็มเลยบางตัวมันบินข้ามไปไม่เห็นนะ่ะฉะนั้นต้องไว้วางใจอัลลอ์ นบีบอกว่านกออกไปตอนเช้านี่นะทองแห้งพอกลับมาตอนเย็นท้องอิม่มแล้วก็มาเผื่อให้ลูกดาด้วยนี่ริสกีของอัลลอ์เราต้องมอบหมายต่ออัลลอว์ประชันมอบต่ออัลลอ์แล้วก็สแสวงหาริสกีไปเรื่องอดตายไม่มีครับต่อมาครับนบีสอนอินนะครับใกล้ๆวันกิยมามะเนี่ยคนจะจะไม่จะไม่แคร์นะ ขอให้ฉันได้เงินก็นแล้วกันจะเงินแบบไหนฉันเอาทั้งนั้นไม่ว่าเงินฮารอมหรือเงินฮาราพี่น้องอย่าทำนะครับอีกข้อหนึ่งนบีสอนอย่างนี้นะครับทำสามรายการนะมันอาการหลอดไตยีบใครที่เลือกทานอาหารที่ตไต ย, ยิบไอ ย, ยิบอย่างไรก็บางการนะที่ที่มีคุณภาพทางอาหารอย่างคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยไปกินทุเรียนทําไมล่ะ มันไม่ใช่ต่อยิบสําหรับคุณมันต่อยิบสําหรับคนไม่ป่วยใช่ไหมขินไขมันเยอะๆสําหรับคนเป็นโรคอะไรนะั่งโรคไขมันสูงต้องเลือกอาหารกินนบีผู้ฉลาดนะมันอาการดาต่อยิบันใครที่เลือกทานอาหารคือต่อยิบดูว่าเราเป็นโรคอะไรก่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงรวบนั้นหวานมีลาฟีซุนนาตินแล้วก็งานแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นทาําตามสุนนะนบีอัลลอฮฺอัลลอฮ ว่อามินันนาสบบวาอิติฮิแล้วก็ให้ผู้คนรอบๆตัวเราเนี่ยปลอดภัยจากมือของเราและลิ้นของเรามีสามรายการนี่นะแค่นี้นะดาร์คาลจานนะได้ไปสวรรค์อัลลอฮ์ละคำดทำแค่สามรายการเองเลือกทานอาหารที่ต่อ ย, ยิบที่มีคุณภาพเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยเป็นโรคผมเป็นผมเป็นโรคเกา เกือบทุกชนิดเลยบุยนเดียร์นี่หมอห้ามเราก็นั่งนึกอยู่อ๋ออร่อยจริงจไอนี้ก็ห้ามไอนี้ก็ห้ามอ้าวอย่าลอากค อ, อกินหน่อยแต่พันยากแกะก็ทานไปพอทาน่ากินยาดักเอาไว้อันนี้เป็นต้นนะแล้วก็ปฏิบัติอามันติดเป็นซุนนะแล้วก็ปากเรามือเราอย่าไปทําความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่รอบๆตัวเราสามรายการนี้เป็นว่างนึกอยู่ตลอดเวลา ดะาร์ลาลยานนะเขาได้สวรรค์ตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่ที่อิหมามอ่านอะไรนะว่าฟาวะกอชัดอะไรนะฟาวะกอฮุมุลลอฮูชาร์ร่าลิกะลียามะมานะอบูละซันสอนผมอ่ะให้ขออย่างนี้อัลลอฮุมะตีนีวะกอฮุมุลลอฮูชารีเอาญากรอานมามาเปลี่ยนเล็กๆน้อย ว่ก็หูมุลลอหูชารีโออลัลลอฮ์ปกป้องความชั่วของฉันอย่าไปทําอันตรายกับคนอื่นชารีความชั่วของฉันนี่นะอย่าอาลัลลอฮ์อย่าไปทําลายคนอื่นเลยบางคนไม่เคยขอนะอลัลลอฮ์จะไอเราเนะี่ยมีความชั่วมีไหมมีปากไวมือไวบางทีไปต่อยคนนั้นไปต่อยคนนี้ ปากไว้กระดาวกนั่นดาวกนี้ไอความชั่วแบบนี้อัลลอฮ์จะช่วยปกป้องตัวฉันด้วยอย่ากให้ฉันนั่นไปทําความเดือดร้อนกับคนที่อยู่ข้างๆตัวเองต้องขอครับผมขอประจํานะนะครับโออัลลอฮ์วกอวกอฮุมุลลอหุชารีวกอฮุมุลลอหุชรลีนะครับเาาาาาร า, ม า, ารนะรมาอุทธรเวลาผมไปเยี่ยมแกนะสมัยก่อนนะี่จะเขาเล่าให้ฟังอ่ะขออานบทนี้นะขออาบทนี้นะ ขอให้กับตัวเองตลอดเวลานะครับเช่นเหมือนกันจะเดินเข้าซอฟเนี่ยอิหมางกำลังอ่านฟาดิีฮ่าอยู่เราเดินมาถึงนี่ให้อ่านดูอานะอัลลอฮุมะตีนีอัฟุดลอละมาตุตีอิบะดะกะสอเลฮินพอมีซอฟบ้างอ่านอ่านอาน อ, านอย่างงี้โอ้อ Allah ได้โปรดประทานให้แกฉันดีกว่าที่ประทานให้กับคนซอลแร่ทั้งหลายเห็นไหม เราจะประทานให้กับฉันดีกว่าบรรดาคนสอแล้วที่อัลลอ์ให้กับเขามีอะไรบ้างให้ฉันมากกว่าเขาอีกว่าตอนไหนถูกไหมตอนที่เราเดินมานมาดและแบบมาแบบมัสบุกมาไม่ทันเนี่ยนะอัลลอฮมุมะตีนีอัลลอละมาตุตีอิบะดก ال ะอเฮีนเวลาจะอ่านคุรอานก็เหมือนกันนั่งอ่านที่บ้านพอยิบคุรอ่านภาพลูกอ่านครุรอานบทนี้นะอัลลอฮมุมะตีนีอัลลอละมาตุตีอิบะดากอฮีน ให้ได้ประทานความดีให้แกเรามากกว่าที่ประทานให้กับคนสอนและทัางหลาเพาะหออักบัรยิ่งใหญ่มากนะครับน้องต่อมาครับอาชีพของบรรดานาบีนะครับนาบีอิดลิสมีอาชีพทำอะไรรู้ไหมเขียนเขียนคออ ด, ด้วยปากกานี่อาชีพของนาบี้วนะอิดลิสอลัยฮิสลาม สุวนรณนบีอาดัมเนี่ยมีอาชีพทําอะไรรู้ไหมตอนที่ถูกเชิญออกมาจากสวนสวรรค์เนี่ยสองคนเนี่ยมาเจอความมาเจอแดดที่มันร้อนอาดัมก็บอกกับเาว่าอาซาเนอลัลฮัรความร้อนทรมานฉันเหลือเกินพอ บ, บนอย่างนี้ปั๊บอัลลอฮฺส่งยิบรีลงมาเอาฝ้ามาให้เอา้าแล้วก็ทอกันนะชักกันนะอะไรกันนะทําอะไรนะทอทอทําเป็นผ้าไงนะเลยรับก็สอนสอนสอนสอน ค่อยๆสอนทีละขั้นละขันะข้นละขันะข้นละขัน้นเห็นไหมนี่อาชีพเป็นอาชีพหมดเลยนะอาชีพของนบีอาดามทําไงนะ่ะมีอาชีพแล้วนะทอผ้าใส่ให้กัตัวเองนบีอิดเดริสมีอาชีพทํำอะไรนะไ ข, ขดด่ไขยย้ยาด้วยเย็บผ้าด้วยนะครับและทุกครั้งที่ท่านนบีอิดเดริสเย็บผ้าเนี่ยจะอ่านคํานี้สุบฮานลลอเย็บทิ้งสุบฮานลลอเย็บทิ้งสุบฮานลลอ ย็บทีมสุบฮา่นอัลลอฮ์นี่แต่หากพวกเราเอาอัคลาของบรรดานับี ม, มาใช้นะสง่างามมากเลยนะพวกเราเขาตังเย็บท่ากันิทาชาวบ้านโอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเอาอัคลาของใครมานะของของอบี ม, มาของอับีอินเดริสเนี่ยอัลลอฮ์สง่างามเอาต่อมาครับคนที่สามอบดุลเียร์นมีอาชีพทํำอะไรต่อเรืออ๋อเห็นไหมอับดุบีมูซามีอาชีพเป็นลูกจ้างน่ะ แปดปีแล้วก็เพิ่มมาอีกสองปีแล้วก็เป็นมหฮัตด้วยแล้วก็แต่งงานกับลูกสาวน บ, บีชุรไรเห็นไหมแต่ละนบีนบีนบีมีอาชีพหมเดเลยเนี่ยเราใครมีอาชีพเหมือนกับนบีเรามีเกียรติสูงต่อมาคนคนที่ห้ามนบีอิบรอฮิมนะไม่ขายอะไรขายผ้าโอ้โหัือว่าขายผ้านะครับขายผ้า น บ, บีคนที่หกน บ, บีชอยบีมลายฮิสลามอาชีพทอผ้าแล้วก็ขายผ้าเห็นไหมน บ, บีคนที่7็ดนบีอิสมาอินมลายฮิสลามทําธนูแล้วก็ขายธนูน บ, บีอิสมาอินนะครับน บ, บีคนที่8ดท่านลุกมามาใช้น บ, บีแต่มีชื่ออยู่ในปีคุรานทําเชือกแล้วก็ขายเชือกเห็นไหมนี่ชีวิตริสกนะีหาได้แบบนี้เราปิบัติกิฮัลล่าเถูกต้องด้วย คนที่ 9, เก้านบีซอลแลอะลัยฮิสาลามทําผ้ากระสอบแล้วก็ขายผ้ากระสอบด้วยฮามดุลิลลาห์นบีคนที่สิบนบียะฮิยาอะลัยฮิสาลามทํารองเท้าแล้วก็ขายรองเท้าอัลฮัมดุลิลานี่จากหนังสืออัติญารฟิลอิสลามการค้าขายในอิสาลามนาบีซักรียาเนี่ยอีกคนนะครับคนที่สิบเอ็ด ทำอะไรนะเป็นช่างไม้อัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นการค้าในสมัยนบีมุฮัมมัดนี่เจริญมากที่สุดก็คือนบีสอนอย่างนี้อาไลกุมบิติยารอท่นานราชงทํามาค้าขายนาะฝ่อินนฟีฮะติสอตุอาชาลริสกีในการค้านั้นนะมีรางวัลเท่าไหร่นะเจาก10อัลลอฮ์ให้10ส่วนแต่การค้าเนี่ยอัปเลยเท่าไหร่เ้าส่วนอัลฮัมดุลิลลาห์ซอ บ, บ้านนบีเลยชอบนะี่ย ทีนี้อีคาดิสหนึ่งบีสอนอย่างนี้นะครับอัตตายินักค้านักขายนาบีให้เกียรตินักค้านักขายนะนักค้านักขายนี่นะแต่ต้องมีสองอย่างนะสุดดูกุกจริงใจอามีนแล้วก็อะไรนะอะไรนะซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์นะสองอย่างนี่นะ ในวันเกียร์มาจะอยู่กับใครครับมาอันนบียีนจะนั่งอยู่กับนบีแล้วก็วัด ส, สิดดีกีนจะนั่งอยู่กับสิดดีกไยนาอบูบากาดด้วยนคนอื่นอีกนะครับวัดโชฮัดาจะนั่งใกล้กับคนที่ตาย شهيد ทั้งหมดแล้วก็คุยได้ไอตอนถูกระเบิดเป็นยังไงวะคุยได้ในวันเกียร์มาคุยกันใช่ไหมนะเพราะอาลัลลอฮฺให้นั่งใกล้กันอุลลอห์ อ, อับอูบัติเน่ยยังครับ ท่านนักค้านาขายนักค่าน้ขานขายต้องทําตัวแบบใครนะอัมดุรมุมานบินเอ้าดูแลภรรยาครอบครบัวนบีดูแลคนยากคนจนดูแลแม่มาเด็กกําพระดูแลหมดนะ่ะได้ริสกีมาไม่ได้บารุงบําเลอตัวเองเลยดูแลคนอื่นหมดเลยนี่งานนักค้าน้ขาขายนะครับเอาต่อมาครับไออีอ ก, ก็มิสซาลาดำรงไว้สุดการอะมาศ วัยีตาอิจการแล้วก็จ่าย z a กา t มาพูดถึงเรื่อง z กา a t เทอุลมาอธิบายอย่างนี้ให้นึกสี่อย่างหนึ่ง zakat าาสองสอดกะก็สาม hadiyah h a d ยะ a h แปลว่ารางวัลของขวัญมอบของขวัญให้กันอันที่สี่ทว w a ั a โอ้ละฮัมดูลิละ อัลฮัมดุลลาอันนี้คือเรื่องนะเรื่องกา ร, รการค้าการขายนะอิสลามส่งเสริมเรื่องการค้าไหมส่งเสริมให้ตามการค้าได้ไม่ส่งเสริมให้ขอไม่ส่งเสริมให้ขอแต่ถ้าหากว่าใครขอนะต้องให้เขานาตะตาวายเขาไม่ได้ด่าเขาไม่ได้เขาขอเึ่งเอาไปขอทํารายดูแลเด็กกำพร้าต้องให้เขานะอย่าขี้เหนียวนะขอสร้างมัสยิด ต, ต้องให้เขานะ ขอดูแลเด็กกำพร้านะครับโรงเรียนต้องดูแลเขานะมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยไม่มีก็ขอดุอาให้เขาไม่ใช่ด่าเขาอะไรวะขอไม่อย่าๆยท่านขอเกี่ยวงานาศาสนาก็รอะเนี่ยต้องให้เพราะไงสวบาบ้านนบีก็ขอนะ่นบีก็ขอนะ่ขอสวบ้านนบีก็ให้กันทุกคนน่ะแล้วก็สัญญาอัลลอฮ์จะไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปสวรรค์นนนนคนที่บริจาคเยอะๆนี่นะสังเกตนะ เอลลาลอดจะให้วิสกีเพิ่มสังเกตนะคนที่บริจาคเยอะๆนะสุขภาพแข็งแรงคนที่บริจาคเยอะๆเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บจะไม่ค่อยมาหาเขาคนที่บริจาคเยอะๆนะริสกี้เขาจะเพิ่มภูหน้าตาของเขาจะมีรูสจะมีรัศมีมีบรารักัดและอบรมคนในบ้านให้บริจาคให้บริจาคให้บริจาคอย่างกระป๋องเนี่ยกระป๋องสตางค์เนี่นะให้ลูกมากับโรงเรียนเหลือมาสี่บาทหยอดเอาไว้หาบาทหยอดเอาไว้พอครบปีครบเดือนนี่นะ เอาไปให้นะเอามาให้ที Finanz, form, ham, ่ส right. ัสนิบาตธรมมาให้ยู่สาติชวนไปให้ที่วามีก็บริจาคกันไปใช่ไหมผลเล่บุญหวังจากอัลลอฮ์สุบฮานอูวาตาล้วินีมาถึงอายะต่วไหนนะอายะที่3าปอายะสุดท้ายนะครับเพราะอธิบายยาวลิยะจียฮุมุลลอห์อัล์สันมะงามิลู ويزدهم ي من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزدهم ي من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر الحمد لله ลีเพราะเพื่อยะจดิยหุมตอบแทนพวกเขาอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์จะได้ทรงตอบแทนพวกเขาลีจะจดิยาหุมหรือ เพื่ออัลลอฮฺจะได้ทรงตอบแทนพวกเขาก็ที่เขาทํำไรนะ่ะทําการค่าแล้วก็ไม่โกงจ่าช่างทําการค่าไม่ลืมนมาดทาตามช่างไม่ทำการค่าไม่ลืมอัลลอฮฺทำการค่าไม่ลืมนมาทามําการค่าไม่ลืมจ่ายชกางนะครับสามรายการนี้ถ้าทําสม่ําเสมอลิยัดยาดียาหุมุลลอห์เพื่ออัลลอฮฺจะได้ทรงตอบแทนพวกเขาตอบแทนอะไรครับ อั์สันโอโหอั์สันว่าที่ดีเยี่ยมมาถึงรางวัลที่อัลลอ์จะมอบให้ดีที่สุดอัลลอ์ดีที่สุดรางวัลที่ดีที่สุดพี่น้องอัล์มาอธิบายอย่างนี้คันว่ารางวัลที่ดีที่สุดเนี่ยมาคืออะไรให้เข้าไปอยู่ในสวรสวรรค์ของ AH. อัลลอ์อั์สันมาอามิรูพวกเขาได้ประกอบเอาไว้ ที่เขาทําการค้าอลัลลอฮ์พี่น้องเขาทําการค้าไม่ลืมนะมาทําการค้าไม่ลืมอลัลลอฮ์ทำการค้าไม่ลืมจ่ายสะการอลัลลอฮ์จะตอบแทนรางวัลที่ดีเยี่ยมให้กับเขาที่เขาได้ประกอบงานอามันฑิซอแล่แบบนี้ดีไหมเนี่ยเห็นไหมค้าขายยังมีรางวัลเลยหน้ามารก็มีรางวัลจายสะการก็มีรางวัลเห็นไหมนึกถึงอลัลลอฮ์ ก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอะฺามสีรายการแล้วก็วันนั้นตาเหลือกไหมไม่เหลือกใจกลัวไหมไม่กลัวเพราะอัลลอรับรองไว้หรือญาติญาตยาหูมุลล้ออาฮซานอามิลูเพื่ออัลลอจะได้ทรงตอบแทนพวกเขาด้วยรางวัลที่ยีดีเยี่ยมตามที่พวกเขาได้อามิลูได้ประกอบเอาไว้ผมววันนั้นตาไม่เหลือกใจใจก็ไม่ต้องมองซ้ายมองขวา ฉันนะครับบัญชีมือซ้ายดอมือขวากันแน่ถ้ามีสามสี่รายการนี้อัลฮัมดุลิละปลอดภัยฮัมดุลิละต่อมาครับได้ของรางวัลที่ดีเยี่ยมได้สวรรค์และยังไม่พอวายาซีดาวหุมอัลลอฮฺอักบัดแล้วพวกเขาจะได้เพิ่มได้เพิ่มอีก <c oughs> ได้เพิ่มอีก มิมฟันุลิฮิจากความโปรดทานของอัลลอห์ใช่ไหมได้เข้าสวรรค์แล้วยังไม่พอคนริ่งเล่านะเข้าสวรรค์น่าจะพอเลยนะอัลลอฮ์ย่างยังมีอีกจะให้เพิ่มอีกวายซีดาวุมเราจะเพิ่มให้เขารนั้นอีกจากอะไรจากความโปรดทานของ Allah. อัลลอฮ์อุลามะอธิบายอย่างนี้คนที่ทำหนึ่งเนี่ยทำความดีหนึ่งเท่าได้เท่าไรไ้เท่าไรความดีเท่าไรตอบแทนสิบ ทำหนึ่งได้สิสเกตอัลลอฮฺขออัตบใครที่ให้ให้อัลลอฮขอยืมนั่นแหละเป็นการขอยืมให้ข อ, อการขอยืมที่ดีที่สุดแล้วก็ไปเบิกกลับได้ในวันเตียมากดูนนั่นให้อัลลอฮฺขอยืมคือช่วยเหลือคนอยากคนจนดูแลเด็กกำพร้าโรงเรียนสอนศาสนามัสยิดของอัลลอดูแลกันไปนอ้องนะครับอัลลอจะให้รางวัลตอบแทนนะ อัศนนามาไม่รเขาอธิบายอย่างงี้งานที่งานที่ดีเยี่ยมนะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอิบนุมัสดนั่งประชุมกันอยู่นะนั่งประชุมกันอยู่นอกเดือนระมาอนนะนั่งประชุมกันอยู่แล้วท่านก็สั่งให้เอานมมาเลี้ยงเขานั่งกันอยู่นะก็เอามาลให้ทีละคนละคนละคนละคนละคนไม่มีใครดื่มสักคนหนึ่ง ท่านคนเดียวที่ไม่ที่ดื่มอยู่เพราะตอนที่เองยังไม่ดื่กก็แล้วท่านบวชเอง น, นี่ก็บวชเองนี่ก็บวชบวชกันหมดเลยมันนั่งกันสิบกว่าคนเนี่ยบวชกันหมดท่านชงที่นอกเดือนในมดอนท่านอิบมัสโอดบอกว่าฉันคนเดียวไม่ได้บวชแต่นั้นเงินนมที่เอามาแจากเอามาฉันคนเดียวกินคนเดียวหมดเลย นั้นณซอบ้านนบีเนี่ยเขาถือศีลอดสม่ำเสมอถึงจะอยู่นอกรอมฎอนก็ตามอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องเห็นไหมนี่เงีะยอัชซานามาอามิลูอามันที่เขาทำอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนรางวัลที่ดีเยี่ยมให้กับคนเหล่านี้นะครับอทีนี้ในอัลเละห์ข้อิดอธิบายต่อบอกว่าวาวยซีดะฮุมมิมฟัตลิเนี่อธิบายยังไง อัลลอฮ์จะประทานเพิ่มให้แก่เขาจากความโปรดปานของอัลลอ์เนี่ยอธิบายยังไงครับอธิบายอย่างนี้ในตับซิรอิบโนกะซิอสนุนบัญญัเป็นภาษาอุดูกับภาษาอาหรับนะเขาจะได้ชาฟะได้ชาฟาอได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือเข้าสวรรค์ไปแล้วนะขอชอานได้อีกอะไรบ้าง คนที่จะได้รับชฟาจากอัลลอฮ์นะต้องทำเก้ารายการอ่านี่เป็นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นอามันที่ดีนะเก้ารายการตั้งต่อไปนี้นะทำเยอะๆนะก่อนตายนะข้อที่หนึ่งติรออัตุลกุรอานให้อ่านกุรอานซูรอะไหนก็ได้อ่านกุรอานเยอะๆจะช่วยชฝาเราในวันเตียมาเรื่องที่สองเจาะจงอ่านสองซูรอะ สุราบะกระรดกับสุราอาะไลมรจอเจาะจงเลยอ่านสองสุรทุกวันอ่านครบสุรก็ได้หรืออ่านสักสิบอายะของสุราบะกระรดส10อายะของสุรา อ, าราอาะลอุตแตให้อ่านสม่ำเสมอนะครับอันที่สอ่านสุราตาบะรักัลลอฮบิยัดิฮิลมุลกูวังวังอะลัยุลิชัยอินกด็ดีอ่านสุรนี้สม่ำเจาะจงนะใช่ไหม อับนบรรณาก็อ่านนึกเอาเองก่อนนอนดีที่สุดนะอายัที่เรื่องเรื่องที่สี่นมาต่ฮัจยุสอ่านมาต่ฮัจยุสนะครั painful. <zo op ant ia> bank, บแต่ฮัจยุสอย่างน้อยสองเราก็อัดพอตอนนี้สุโบมันตีห้าเห็นไหมอาารมันจะอะไรีสี่สี่สิบหาเราเราก็ตื่นตีส่ก็ตื่นตีส่เนี่ยเอาเราได้นมาดอย่างน้อยสองเราก็อัดสี่เราก็อัด กองอาจแล้วก็วิเทกอีกสามนั่งซิกุลล้ออีกเ0สิบนาทีอาจารย์มานำมาดยามอามีอาิมัสจิอยังเนี้ยถ้าเราทสม่ำเสมอเลยนะช่วยชาวอาเราในวันตียามาได้อมา ม, มุสลิมนะครับที่มามมสลิมข้อที่ห้านะครับช่วยชาวอาเราได้นะให้สุลา่านนบีเช้ากับเย็นบางคนชลาก็ชั้นนำมาแล้วสุลา่านพอแล้วสิ นอกน้มาดด้วยทด้วยอัลลมซลลลมุ hammad วะลาอลฮม hammad กับว่าสุยต่าอิบรอฮิมวะลาอัลลอิบรอฮิมอินนักะฮามิดุมมัจิดอัลลอฮมะบาริกอัลลมุ hammad วะลาอัลลมุ hammad กับว่าสุลัต่อัลยิบรอฮิมอินนกะฮมดุมมดนี่สาวัตช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะข้อที่หกอธิบายบัดัลอาอิมมบี ให้ร hey, uh um ับอาานหลังจากครับอาจานย์จบแล้วอัลลอฮุมารอบบะฮ์ทิฮิดะอวติตามะวัสลาดิลกอีมาอาติมุฮัมมัดานิลไซน์นังมนไซน์นะอาติมุฮัมมัดานิลวาเซลัตอัลฟอดีลาวะบะอสุมะกอมะมหโมดานิลละดีวะอัตตะเนี่ยเป็นดูอารับอาจารย์ชวาได้ในวันตียมะข้อที่เพี่น้องขอดูอาต่อร้องให้เข้าสวรรค์ อัลลอฮ์จะให้ฉันเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยเถิดวันละสามครั้งอย่างน้อยจากสามครั้งนะขอดวอาให้ฉันเข้าสวรรค์ข้อที่แปดขอดวอาให้ห่างไกลจากไฟนรกอัลลอฮุมาบะอิดนีมินันนารอัลลอฮุมาบาอิดนีมินันสักสามครั้งวันละสามครั้งนะให้ห่างไกลจากไฟนรกข้อที่เก้าเนี่ย ดีมากนะครับมันเรื่องจริงของชีวิตนะไปอยู่ที่นครมาดีนะคนที่ไปทำพัดเนี่ยทำอุมมร้อนเนี่ยต้องผ่านดีนากรใช่นนมหมสองวันสามวันห้าวันคณะที่อยู่ที่นครมาดินี่เมื่อพบกับความลําบากความเดือดร้อนอุปสรรคให้ทําไงบนหรือไม่บนนบีสั่งียาบนถ้าไม่บนเนี่ยไปชฝาดได้ในวันตี่อมาอัลฮัมดุลิลัย ไอ้อิสลามดีขนาไหนถูกไหมเพราะนาบีอยู่ตรงนั้นเ่ามาบ่นนบีก่อนเราบ้าระบากรว่าเราเอีกนบีเคยบ่นไหมนบีไม่เคยบ่นเลยอาหารไม่ไ ม, ไม่ไม่มีทานนาบีบ่นบ้างไม่บน่นเราขออาหารเธอมีอาหารให้ฉันไหมพยาอาหารไม่มีด่าเลยด่าเนี่ยมีไหมมีนบีเคยขออาหารท่านหญิงไอซาบอกอาหารมีไหมนับว่าอาหารไม่มีนบีว่าไงถูกไหม ฉัขอบวชนะปัญหาม่มีทะเลาอกกันไม่มีเลยนี่อันบีให้รูปแบบไว้สามีขออาหารภรรยาตอบว่าอาหารไม่มีนบีว่าไงนะบวชนะนะเรานี่ยเมื่อวานให้ไปห้าร้อยดูสิโคว่าบ่นเสียหายลูกเต้าฟังแล้วยอฉันเป็นอะไรเนี่ยทีมาทคเลาะกับสาวดูว่าที่มาทะกลสมองเสียหรือเปล่านะครับอทีนี้นี่จบแล้วนะ วายาซีดาหุมมิมฟอบตุลิอัลลอจะเพิ่มให้แก่เขาความโปรดปานของพระองค์อธิบายง่ภาษาอุดรอธิบายบอกว่าเข้าสวรรค์แล้วนะยังให้ยังอื่นอีกเข้าสวรรค์แล้วยังให้ยังอื่นอีกบางคนอธิบายว่าเห็นพระภาพของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเห็นพระภาก อ, อัลลอฮ์โอ้ห้องอยู่แล้วยิ่งใหญ่อ่าเปลี่ยนเรา อ, อตตอมาจะจบแล้วนะ والله يرزق من يشاء بغير حساب ละพระองค์อ ah, ัลลอฮ์เนี่ยจะประทานริสกีให้คำว่าริสกีอย่ามองเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวนะอีมานก็ริสกีตายในสภาพที่เป็นคนดีก็เป็นริสกีได้มีอีมานเรานอบน้อมถ่อมตนเป็นริสกีผู้จาดีเป็นริสกีเป็นห้อง ไม่โมโหไม่ฉุนเฉียวใจเย็นเย็นเป็นฤสกีไม่ดาาา่าพะยะอัลลอฮฺักวาตไม่ด่าลูกตัวเองเป็นรฤสกีทั้งหมดนี้อลัลลอฮฺประทานให้ไม่แชรแกผู้ที่อลัลลอฮฺทรงประสงค์อลัลลอฮฺเลือกให้จากนั้นที่อลัลลอฮฺเลือกให้เนี่ยต้องต้องขออุอาเยอะนะอลัลลอฮฺจะให้ชั้นเธอขอชั้นเธอขอชันน้อยต้องอ้อนวอนอลัลลอฮฺร้องให้บ้างได้ไหมได้ ไม่เหมือนมนุษย์เราถ้าขอบ่อยๆรำคาญมาทุกวันเลยแต่อัลลอ์ไม่ใช่อย่างนั้นอัลลอ์ว่าวันหนึ่งหลายๆเที่ยวยังดีใหญ่ฉันต้องการเห็นภาพออนวอนร้องไห้ขอต่อร้องเบร้อยเรียกซาโดยไม่ต้องคำนวณไม่ต้องคิดเราคิดบัญชีเลยให้แบบเอาไปไปเอาไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอขอบคุณอัลลอ์นะครับสุภานโนวะตาลมที่อธิบายอินิดนึงนะ คนที่ได้ยินเสียงอาจารทํามาค้าขายอยู่เ น, นี่ยนะเราไปไปมัสยิดในวันเกียรมากเป็นอย่างงี้อรรถจะประกาศให้มาเลกาประกาศใครที่ทํามาค้าขายที่ตลาดได้ยินเสียงอาจารย์แล้วไปมัสยิดยืนขึ้นให้หมดมีคนยืนเหมือนกันแต่น no. ้อยอ้าวเราจะฟาดยาดิสแล้วนะ มาอะไก็มาประกาศเอาเาสั่งไปประกาศอยู่เอาเอ า, เ, อาเนี่ยพวกมุสลิมในะยุคของนโมธรรมดรวมกันหมดแล้วขอที่หนึ่งใครที่ทำมาค้าขายที่ตลาดเมื่อได้ยินเสียงอาจารย์แปบ๊บแล้วปิดร้านไปตัดไปนามาดยืนขึ้นให้หมดเขาบอกว่านะว่าหุ้มกอลีมีคนยืนเหมือนกันแต่น้อยมากที่เหลือคิดบัญชีเอาเขาคิดทียิบเลยเนะี่ย ทำไมเองไม่นมานมาทำไมไม่นมานมาฉะนั้นถ้านนมามาดีนะอย่างอื่นอล๋อไม่เช็คนะแต่ถ้านนมามไม่ดีอย่างเดียวนี่นะเช็คละเอียดเลยโอ้โหเสียวนะงั้นพี่น้องทาํามาค้าขายที่ตลาดอย่าทิ้งนมามอยู่บ้านคุยกับเมียเพลินลืมนมามามีไหมมีอย่าทําอย่าทําลูกจบปริญญาตีมาใหม่หม่อ๋อดีองค์ดีใจเรียนแพทย์จะมาดีองกดีใจลืมนมาม Allahu akbar, lir ta m a nah? i k Subhanak Allahumma wa bihamdika s h o l l i y a l a illa anta astagfiru k a w a a tu baik. u i l Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.